าอาตมภาพรู้ว่ามหาบาพิษทรงมีศีลทรงรู้ความประสงค์ของสมณะพราหมณ์อาตมภาพก็จะให้มหาบาพิษทรงยืมสัก500กหาปณ ะ, ะแต่มหาบาพิษหยาบช้าทรงจุติจากโลกนี้แล้วจะต้องไปอยู่ในนรกใครจะไปทวงทรัพย์หนึ่พกหาปณ ะ, ะในภพโลกได้เล่าผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศีลธรรม ประพฤชเชื่อเกียร์กร้านมีกรรมอัญญาบช้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้นี่ในผู้นั้นเพราะจะไม่ได้รับคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีล ร, รู้ความประสงค์คนทั้งหลายรู้แล้วย่อมเอาพภคข้าซัมาเชื้อเชิญเองด้วยคิดว่าผู้นี้ทำการงานเสร็จแล้วพึงนำมาใช้คืนให ขอถวายพระพรมหาบาพิษเสด็จไปจากที่นี่แล้วจากทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้นซึ่งถูกฝูงการุมยื้อแย่งฉุดคร่าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์ 1,000 พันกหาปณ ะ, ะในประโลกกับมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกฝูงกาฝูงแรงฝูงสุนัขรุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ ในโลกันตานรกนั้นมืดที่สุดไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์โลกันตะนรกมืดตื้ออยู่ทุกเมื่อน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏผู้ต้องการซรับคนไรเล่าจะพึงเที่ยวไปในสถานที่เช่นนั้นได้ในโลกันตานรกนั้นมีสุนัขสองเหล่าคือด่างเหล่าหนึ่งดำเหล่าหนึ่ง ล้วนมีร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงย่อมพากันมากัดกินผู้ที่จุติจากมนุษยโลกนี้ไปตกอยู่ในโลกันตะนรกด้วยเขี้ยวเหล็กใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกสุนัขอันทารุนร้ายกาศนำทุกมาให้รุมกัดกิน ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ในนรกอันร้ายกาดพวกนายนิระยะบาลชื่อกาลูปกาละผู้เป็นข้าศึกพากันเอาดาบและหอกอันคมกริบสับฟันทิ่มแทงนรชนพูดกระทำกรรมชั่วไว้ในพบก่อนไรเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะในประโลกกรมหาหระพิดผู้ถูกทิ่มแทงที่ท้อง ที่สีข้างพระอุทนพรุนวิ่งวุ่นอยู่ในนรกตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ในโลกันตะนรกนั้นมีหาฝนต่างๆชนิดคือหอกดาบเลนเหลามีประกายวาวดังถ่านเพลิงตกลงบนศีษะสายอสสนีศิลาอันแดงโชนตกต้องสัตว์นรกผู้มีกรรมหยากช้า อันหนึ่งในนรกนั้นมีลมร้อนยากที่จะทนได้สัตว์ในนรกนั้นย่อมไม่ได้รับความสุขแม้แต่น้อยใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์1000กหาปณ ะ, ะในประโลกกะมหาบพิษซึ่งทรงเร่าร้อนกระสับกระสายวิ่งไปมาหาที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์1000กหาปณ ะ, ะในประโลกกมหาบพิษ ผู้ถูกเทียมในรถวิ่งไปวิ่งมาต้องเหยียบแผ่นดินอันลุกโลงถูกกระตุ้นด้วยประตักอยู่ได้ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณ ะ, ะในปรโลกกะมหาบาพิษซึ่งทนไม่ได้วิ่งขึ้นภูเขาอันดาดไปด้วยขวากอันแหลมคมลุกโชนน่าสยดสยองอย่างยิ่งตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะในประโลกกะมหาบพิษซึ่งต้องวิ่งขึ้นเหยียบกองฐานเพลิงเท่าภูเขาลุกโลงน่ากลัวมีตัวถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวร้องครวญครางอยู่ได้ต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยน้ำเหล็กคมกริบกระหายเลือดคนหญิงผู้ประพฤติล่วงสามี และชายผู้คบหากระทาชู้กับภรรยาผู้อื่นถูกนายนิระยะบาลผู้ทำตามคำสั่งของพญายมถือหอกไล่ทิ่มแทงให้ขึ้นต้นงิ้วนั้นใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จำนวนนั้นกับมหาบาพิษซึ่งต้องขึ้นต้นงิ้วในนรกเลือดไหลเปืะอเปื้อนมีกายถูกกำจัดถูกทิ่มแทงมีหนังปอกเปิดกกระสับกระส่ายเสวยเวทนาอย่างหนัก คู่เหนื่อยหอบมีความผิดเพราะบุระพะกรรมตัวเนื้อมีหนังปอกเปิรกเป็นสองทางต้นงิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยใบเหล็กคมกริบดังใบดาบกระหายเลือดคนใครเล่าจะไปทวงทรัพย์ 1,000 พกหาปณะนะในประโลกกามหาบพิทซึ่งขึ้นไปอยู่บนต้นงิ้วนั้นก้าวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบก็ถูกใบงิ้วอันคมนั้นบาด มีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ใครเล่าจะไปขอทรัพย์จํานวนนั้นคืนกมหาบาพิษซึ่งเดินหนีออกจากคุมนรกไม้งิ้วมีใบเป็นดาบไปพลัดตกลงในแม่น้ำเวตารณีได้แม่น้ำเวตารณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนยากที่จะข้ามได้ดาดดาดไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบไหลอยู่ ใครเล่าจะไปทวงทรัพนั้นกะมหาบาพิษซึ่งตัวขาดกระจัดกระจายเปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตลอยอยู่ในเวตรลนีนาทีนั้นหาที่เกาะไม่ได้ข้าพเจ้าแทบจะล้มเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดข้าพเจ้าหลงสำคัญผิดจึงไม่รู้จักทิศท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาสิทธิ์ของท่านแล้ว ย่อมร้อนใจเพราะความกลัวมหาภัยมีแก่ข้าพเจ้าท่านฤาษีขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าดังหนึ่งน้ำสำหรับแก้กระหายในเวลาร้อนเกาะเป็นที่อาศัยในห้วงมหาสมุทรและประทีปสำหรับส่องสว่างในที่มืดฉะนั้นเถิดท่านฤาษีขอท่านจงสอนอัดและทมแก่ข้าพเจ้า ในการก่อนข้าพเจ้าได้กระทําความผิดไว้แน่แท้ข้าแต่ท่านนารทะขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่พึงตกไปในนรกด้วยเถิดพระราชาหพระองค์นี้คือเท้าทัตรศเท้าเวสสามิตรเท้าอัทธกะเท้ายมทัทติเท้าอุสินนรัเท้าศีวิราช ได้ทรงบำรุงสมณครามทั้งหลายแล้วพระราชาเหล่านั้นและพระราชาเหล่าอื่นได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นใดมหาบาพิษผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้มหาบาพิษก็ฉันนั้นจงทรงเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติ ธ, ธรรมราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่า ใครหิวใครกระหายใครปรารถนามาลาใครปรารถนาเครื่องรูปไล้ใครไม่มีผ้านุ่งหม่มจักนุ่งผ้าสีต่างๆ ต, ต, ตามปรารถนาใครต้องการร่มในหนทางใครต้องการรองเท้าอย่างที่อ่อนนุ่มอย่างดีและสวยงามราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศดังนี้ในพระนครของพระองค์ ทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้ามหาบาพิษอย่าได้ใช้คนแก่เท่าและโคมา้าอันแก่ชราเหมือนดังโกนและจงพระราชทานเครื่องบริหารแก่บุคคลที่เป็นกำลังเคยกระทำความดีไว้เท่าเดิมเถิดมหาบาพิษจงทรงสาคัญพระวรกายของพระองค์ว่าเป็นดังรถอันมีใจเป็นนายสารถีกระปี้กระเป๋า เพราะปราศจากขีณมิทะอันมีอวิหิงสาเป็นเพลาที่เรียบร้อยดีมีการบริจาคเป็นหลังคามีการสำรวมเท้าเป็นกงมีการสำรวมมือเป็นกระพองมีการสำรวมท้องเป็นน้ำมันหยอดมีการสำรวมวาจาเป็นความเงียบสนิทมีการกล่าวคำสัตว์เป็นส่วนประกอบรถที่สมบูรณ์ มีการไม่กล่าวคำสอเสียดเป็นการเข้าหน้าไม้สนิทมีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรสอันเกลี้ยกล่ามมีการกล่าวพอประมาณเป็นเครื่องผูกรันมีศรัทธาและอะโลภะเป็นเครื่องประดับมีการถ่อมตนและกราบไหว้เป็นทูบมีความไม่กระด้างเป็นงอนรถมีการสำรวมศีลเป็นเชือกขันชนะมีความไม่โกรธเป็นเครื่องกันการ ก, า ร, กระทกระทั่ง มีกุศลธรรมเป็นสเวตฉัตรมีพาหุสัจจะเป็นสายทา่าบสายพานมีการตั้งจิตมั่นเป็นที่มั่นมีความคิดเครื่องรู้จักการเป็นไม้แก่นมีความแ ก, กล้าเป็นไม้ค้ำสามขามีความประพฤติถ่อมตนเป็นเชือกขันแอกมีความไม่เย่อหยิ่งเป็นแอกเบามีจิตไม่หดหู่เป็นเครื่องลาด มีการครบบุคคลผู้เจริญเป็นเครื่องกำจัดธุลีมีสติของนักปราดเป็นประตักมีความเพียรและความพยายามเป็นสายบังเหียนมีใจที่ฝึกฝนดีแล้วเป็นดังม้าที่ฝึกไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องนำทางความปรารถนาและความโลภเป็นทางคดส่วนความสำรวมเป็นทางตรงขอถวายพระพร ปัญญาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนมา้าในรถคือพระวรกายของมหาบาพิตรที่กำลังแล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นั้นแหล่เป็นสารถีถ้าความประพฤติ ช, ชอบและความเพียรมั่นคงมีอยู่ด้วยยานี้รถนั้นจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างจะไม่นำไปบังเกิดในนรกอาลาตะเสนาบดีเป็นเทวทัต สุนามะอมตาดเป็นพัทธิวิชยะอมตาดเป็นสารีบุตรวิชกะบุรุษเป็นโมคลานะคุณาชีวกะผู้อเจละกะเป็นสุนักขัด ต, ตะลิชวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงยังพระราชาให้เลื่อมใสเป็นอานนพระเจ้าอังคติราชผู้มีทิฐิชื่วในการนั้นเป็นอุรุเวลกัสปะ มหานาร a พรมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตท่านทั้งหลายจงทรงชาดกไว้ด้วยประการชนี้แลมหานาร a กัสปะชาดกที่8ปดจบ